สถานีวิดยุครอบกัวข่าวสตรอยี6สบกข้าพเจ้าพระมหาภัยบุ์อภิปุณโนจากวัดป่าดอนไฮโศกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ฟังกันคำหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังที่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าพูดถึงการที่คนเราจะต้องฝึกตัวของตัวเราเองบุคคลที่ฝึกตน คือคนที่เป็นบัณฑิตเนื้อความเรื่องราวในเรื่องนี้ก็ได้เคยปรารบถึงสา ม, มเณรคนหนึ่งที่ชื่อว่าบัณฑิตสามเณรอุปมาอุปมยที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสบอกสอนไว้ก็เปรียบเหมือนกับเวลาที่ชาวนาเขาเขาจะทำการ เ, เรกษตรปลูกข้าวเนี่ยเขายังสามารถใช้กังหันน้ำวิทน้ำไปได้ เวลาช่างสอนเขาจะดัดลูกศรให้ตรงเขายังมีเทคนิคการรนไฟการดัดของเขาช่างไม้เขายังสามารถตัดไม้ทาให้มันตรงให้มันงอทาเป็นกลงล้อทำเป็นล้อเวียนขึ้นมาได้ทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีจิตไม่ได้มีใจยังสามารถฝึกได้ก็เปรียบเหมือนกับบัณฑิตที่จะต้องมีการฝึกตนเรื่องราวในเรื่องนี้ท่านผู้ฟัง เกิดขึ้นก็มีนิทานธรรมบทที่ก็ามาประกอบกันได้นำเรื่องของบัณฑิตสามเณรที่เป็นสามเณรของพระสารีบุตรซึ่งในเรื่องของบัณฑิตสามเณรนี้เป็นเรื่องที่ยาวพอสมควรนระครับฟังในการจะได้ให้ฟังถึงเรื่องราวเนื้อหาว่าสามเณรรูปนี้ท่านทําบุญสร้างบุญกุศลอย่างใดมาอันนี้จะนำมาให้ฟังเป็นตอนแรกในวันนี้ วนในพรุ่งนี้ก็จะนำเรื่องของท่านตอนต่อไปในชาติที่เป็นสามเณรเรามาฟังเรื่องของบัณฑิต ส, สามเณรในการก่อนท่านได้สร้างบุญมาไว้อย่างไรดังได้สดับมาในอดีตการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะมีพระขี่นาศพสองหมื่นรูปเป็นบริวาร ได้เสด็จไปสู่กรุงพารณาณสีมนุษย์ตั้งหลายกำหนดกำลังของตนของตนแล้วร่วมกัน8ดคนบ้างส0บคนบ้างได้ถวายอาคันตุกะตานแล้วต่อมาวันหนึ่งในการเป็นที่เสร็จพัฒกิจพระศดาได้ทรงทรรมอนุโมทนาอย่างนี้ว่าอุบาสก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 แต่ไม่ให้ด้วยตนเขาย่อมได้บริวารสมบัติไม่ได้โภคสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วบางคนทั้งไม่ให้ด้วยตนทั้งไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมไม่ได้ทั้งโภคสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติเป็นคนกินเดนินเป็นอยู่ในที่ที่ตนเกิดแล้วและบางคน ทั้งให้ด้วยตนทั้งชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้ทั้งโภคาสมบัติทั้งบริบาลสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วตอนผู้เลื่อมใสในอนุโมทนากาถาชายบัณฑิตผู้หนึ่งยืนอยู่ในที่ใกล้ได้ฟังอนุโมทนากถฐานั้นแล้วคิดว่าแบบนี้ เราจะทําอย่างที่สมบัติทั้งสองจะมีกเราก็าได้ถวายบังคมพระาศาสดาแล้วกราบถูลว่าพรุ่งนี้ขอรโโรรพระองค์โปรดทรงรับภิกษาของข้าพระองค์พระชก้าพระาศาสดาก็เธอต้องการภิกษุเท่าไหร่บัณฑิตผู้นั้นก็บริวารของพระองค์มีเท่าไห ร, ร, าาร่พระชก้าพระศาสดามีภิกษุสองหมืนรูป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 ลงไว้ในบัญชีตั้งแต่ต้นมาตอนชายเข็นใจยินดีรับเลี้ยงภิกษุก็ในสมัยนั้นในเมืองนั้นมีชายคนหนึ่งปรากฏชื่อว่ามหาทุกขตะเพราะความที่เขาเป็นผู้ยากจนยิ่งนะักชายบัณฑิตนั้นเห็นชายเข็นใจนี้มาแล้ว จึงบอกกับว่าเพื่อนมหาทุกตะข้าพระเจ้าได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเอาไวา้เพื่อฉันอาหารหนึ่งวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ชาเมืองจัดถวายทานกันเธอจะเลี้ยงภิกษุสักกี่รูปชายเขินใจท่านผู้เจริญผมจะต้องการอะไรด้วยภิกษุเล่าชื่อว่าความต้องการภิกษุเป็นของคนมีทรัพย์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 เราไม่ได้อะไระไรเพราะไม่ได้ทำบุญอะไระ ไ, รไว้แม้การก่อนอีกหรือคนเก่นใจผมทราบอยู่ท่านบัณฑิตผู้นั้นก็เมื่อเช่นนั้นทำไมบัด น, นี้แกจึงไม่ทำบุญเล่าแกยังเป็นหนุ่มมีเรี่ยวแรงสมบูรณ์แกแม้ทำงานรับจ้างแล้วให้ทานตามกำลังจะไม่ควรหรือมาทุกตาบุคคล น, นั้นเมื่อชายบัณฑิต กล่าวอย่างนี้อยู่จึงถึงความสลดใจแล้วพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นคุณลงบัญชีภิกษุให้ผมบ้างสักรูปหนึ่งผมจะทำงานรับจ้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจะถวายพิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งชายบัณฑิตนั้นจึงคิดว่าภิกษุรูปเดียวจะจดลงในบัญชีทำไมดังนี้แล้วจึงไม่ได้จดเอาไว้ ฝ่ายมหาทุกขตาบุคคลคือคนเข็นใจนั้นไปเรือนแล้วได้กล่าวกับภรรยาว่าหล่อนผู้นี้ชาวเมืองเขาจัดถวายพัดเพื่อพระสงค์แม้ฉันก็ถูกผู้ชักชวนบอกว่าจงถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งพวกเราจะถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งในวันพรุ่งนี้ลาดับนั้น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 เธอจงผ่าฟืนแล้วก็หยิบมีดและขวานมาให้มาทุกตาบุคคล น, นั้นถึงความขมั ก, กเมิ่นอย่างแข็งแรงถึงความอุตสาหะวางมีดขว้าขวานทิ้งขวานช่วยมีดผ่าฟืนไปลำดับนั้นเศรษีพูดกับเ่าว่าเพื่อนทุกตาเอ๋ยวันนี้เธอขยันทำงานเหลือเกินมีเหตุอะไรหรือ นายผมจะเลี้ยงภิกษุรูปหนึ่งเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วมีใจเลื่อมใสมีความคิดว่านั่นเลื่อมใสจริงมาทุกขะดาษนี้ทำกรรมที่ทำได้ยากขอไม่ถึงความเฉยเมยด้วยคิดว่าเราจนแต่กลับรับจ้างทำงานแล้วจะเลี้ยงภิกษุรูปหนึ่งฝ่ายภรรยาของเศรษฐี เห็นภรยาของมหาธุกตานั้นแล้วก็ถามว่าแม่เธอจะทำงานอะไรเมื่อนางตอบว่าก็แล้วแต่จะให้ดิฉันทำอะไรภรยาของเศรษฐีจึงให้เธอนั้นไปสู่โรงกระเดื่องแล้วให้มอบเครื่องมือมีกระด้งและสากเป็นต้นภรยาของนายธุกตานั้นร่าเริงยินดี ทั้งต่ำและผัดข้าวเหมือนจรราละครลำดับนั้นปริยาเศรษฐีถามนางว่าแม่เธอยินดีร่าเริงทำงานเหลือเกินมีเหตุอะไรหรือคุณนายพวกที่ฉันรับจ้างงานนี้แล้วก็จะเลี้ยงภิกษุรูปหนึ่งฝ่ายปริยาเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วเลื่อมใสในนางว่าน่าเลื่อมใสจริง นางนี้ทำกรรมที่ทาได้ยากก็ในเวลาที่มาหาทุกะตะปาฟื้นเสร็จเศรษฐีสั่งให้ให้ข้าสารสี่ทนานด้วยคําพูดว่านี้ค่าช่างของเธอแล้วสั่งให้ให้แม้อีกสี่นานด้วยพูดว่านี้เป็นส่วนที่เพิ่มให้เพราะความยินดีแก่เธอเขาไปสู่เรือน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 ธนานหนึ่งแก่นางนั้นเขาทั้งสองได้มีข้าวสารรวมห้าธนานด้วยประการชนี้ทั้งสองผัวเมียยินดีร่าเริงว่าเราได้ทยยรทมแล้วจึงลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ปรยาพูดกับสามีคือนายมหาทุกตาว่านายไปหาผักมาสิมหาทุกตะนั้น ไม่เห็นผักในร้านตลาดจึงไปฝั่งแม่น้ำมีใจร่าเริงว่าจะได้ถวายโชนะกับพระผู้เป็นเจ้าร้องเพลงไปพลางเลือกเก็บผักไปพลางชามประมงคนหนึ่งยืนทอดแหยใหญ่อยู่ได้รู้ว่าเป็นเสียงของนายมหาทุกตะจึงเรียกเขามาแล้วถามว่า แกมีจิตยินดีเหลือเกินร้องเพลงอยู่มีอะไรหรือนามหาทุกตะฉันเก็บผักอยู่เพื่อนชาวประมงก็จะทำอะไรกันหรือนมหาทุกตะฉันจะเลี้ยงภิกษุชักรูปหนึ่งชาวประมงโอ้ดีละอิมละภิกษุที่ฉันผักของแกในามหาทุกตะจะทำอย่างไรได้เพื่อนกันต้องเลี้ยงภิกษุ ด้วยผักที่กันได้ชาวประมงถ้าอย่างนั้นมานี่เถิดจงถือเอาปลาเหล่านี้ร้อยเป็นพวงมีราคาบาทหนึ่งบ้างกึ่งบาทบ้างกหาปะนะหนึ่งบ้างนายมหาทุกตะจึงรับเอาปลานั้นมาชาวเมืองได้ซื้อปลาที่นายมหาทุกตะร้อยไว้ร้อยไว้ไปเพื่อประโยชน์ แก่ภิกษุที่ตนนิมนต์นิมนต์แล้วเมื่อเขากำลังร้ายปลาอยู่นั่นแลก็ถึงเวลาพิกาจาร์แล้วเขากำหนดเวลาแล้วว่าฉันจะต้องไปแล้วเพื่อนนี่เป็นเวลาที่ภิกษุมาชาวประมงก็พวงปลายังมีอยู่ไหมนายหมาตุกตะไม่มีแล้วเพื่อนหมดสิดแล้วชาวประมงถ้าอย่างนั้นปลาตะเพียนสี่ตัว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 ทรงเห็นนายมหาทุกตะเข้าไปในภายในคายคือพระญาณของโรงทรงรำพึงว่าจะมีเหตุอะไรเนาะแลมีความดำริว่านายมหาทุกตะคิดว่าจะเลี้ยงภิกษุสักรูปหนึ่งจึงได้ทำงานจ้างกับภรยาในวันวันเขาจะได้ภิกษุรูปไหนหนอจึงใกรโกรวนว่าคนทั้งหลาย จะพาภิกษุไปตามชื่อที่จดไว้ในบัญชีแล้วให้นั่งในเรือนของตนของตนก็ถ้าเว้นเราเสียแล้วมหาทุกตะจะไม่ได้ภิกษุอื่นก็ได้ยินว่าพระพุทธชาติทั้งหลายย่อมทรงทำความอนุกราในพวกคนเข็นใจเพราะฉะนั้นพระาศาสดาทรงทำสศรีรากิจแต่เช้าตรู่แล้ว เสร็จเข้าสู่พระคันทักกุฎีประทับนั่งด้วยทรงดำริว่าจะสงเคราะห์นายมหาทุกตะก็แม้เมื่อนายมหาทุกตะกำลังถือปลาเข้าไปสู่เรือนบรรทุกกรรมผลศิลาอาจคืออาสนะของเท้าสกก ะ, ะแสดงอาการร้อนเท้าเธอทรงพิจรารณาว่าด้วยเหตุอะไรหนอ จึงทราบว่าก็เมื่อวานนี้นายมหาทุกตะได้ทํางานรับจ้างกับภรยาของตนด้วยตั้งใจว่าจะถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งเขาจะได้ภิกษุรูปไหนหนาะพอเมื่อท้าวสักะทรงทราบว่าภิกษุอื่นไม่มีสําหรับเขาแต่พระศาสดาประทับนั่งในพระกุฏีนั่นเอง ด้วยตั้งใจว่าจะส่งพระนายมหาทุกตะนายมหาทุกตะพึงถวายข้าวต้มข้าวสวยและผักเป็นกับอย่างที่ตัวเองบริโภคเองได้พระตถาคตถ้าไครเราควรไปยังเรือนของนายมหาทุกตะทำหน้าที่เป็นพ่อกรัวดังนี้แล้วจึงได้จำแลงกายไปไม่ให้ใครรู้จัก เสด็จไปที่อยู่เรือนของนายมหาทุกตะนั้นแล้วจึงได้ถามนายมหาทุกตะว่าก็ใครๆมีงานจ้างอะไรบ้างหรือนายมหาทุกตะเห็นเท้าสักกะที่จำแรงกายมานั้นจึงกล่าวว่าจะทํางานอะไรเล่าเพื่อนใช่แปลงกายพระพเจ้ารู้วิชาการทุกอย่างนายชื่อว่าวิชาการสิ่งไรที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ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 ก็ท่านจะถวายแก่ภิกษุข้าพเจ้าไม่ต้องการค่าจ้างท่านให้บุญแกข้าพรเจ้าไม่ควรหรือดีละเพื่อนถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเชิญเพื่อนเข้าไปทำงานเถิดท้าวสักกะที่จำแลงกายมานั้นจึงเข้าไปในเรือนของนายมหาทุกตะนั้นแล้วให้นำข้าวสารเป็นต้นมาแล้วทรงนายมหาทุกตะนั้นไปด้วยคำว่าไปแต่ท่านทรงนาภิกษุ ที่ถึงแก่ตนมาฝ่ายผู้จัดการทานได้จ่ายภิกษุไปสู่เรือนของพวกชนเหล่านั้นเหล่านั้นตามรายการที่จดไวในบัญชีนั่นแหลส่วนนายมหาทุกตะไปยังสำนักของเขาแล้วก็พูดว่าจงให้ภิกษุที่ถึงแก่ผมเถิดบัณฑิตผู้นั้นได้สติขึ้นในที่นั้นจึงพูดขึ้นว่า โอ้ฉันลืมพิกษุสํสำหรับแก่เสียแล้วนายมหาทุกตะเป็นเหมือนถูกประหารที่ท้องด้วยห อ, อกอันกมประคองแขนร่ำไห้ว่าเหตุไรจึงทำให้ผมชิบหายเสียเล่าคุณแม้ผมอันท่านชวนแล้วเมื่อวานก็เบ้อมด้วยภรยาทำงานรับจ้างตลอดวันในวันนี้แต่เช้าตรู่ได้เที่ยวไปฝั่งแม่น้ำ เพื่อต้องการผักแล้วจึงมาขอท่านจงให้พีกสุ่แก่ผมสักรูปหนึ่งเถิดตอนมหาทุกตะไปนิมนต์พระศาสดาคนทั้งหลายประชุมกันแล้วถามว่านายมหาทุกตะนั่นอะไรกันเขาบอกเนื้อความเหล่านั้นคนเหล่านั้นจึงถามกับผู้จัดการทานว่าจริงหรือเพื่อนได้ยินว่า นายมหาทุกตะนี้ท่านชักชวนให้ทํางานรับจ้างเพื่อถวายภิกษาแก่ภิกษุรูปหนึ่งผู้จัด ก, การทานขอรับผมชักชวนเขาเองคนเหล่านั้นก็ท่านจัด ก, การภิกษุมีประมาณถึงเท่านี้ไม่ได้ให้ภิกษุแก่นายมหาทุ ก, กตะนี้สักรูปหนึ่งทํากรรมหนักเสียแล้วบัณฑิตผู้จัด ก, การทานละอายใจ โดยคำพูดของคนเหล่านั้นจึงพูดกับนายมหาทุกตะว่าเพื่อนมหาทุกตะเอ๋ยอย่าให้ฉันชิบหายเลยฉันถึงความลำบากใหญ่เพราะเหตุแห่งท่านคนทั้งหลายนาภิกษุที่ถึงแก่ตนแก่ตนไปตามรายการที่จดไวในบัญชีชื่อว่าคนผู้ซึ่งจะถอนภิกษุผู้ซึ่งนั่งในเรือนของตนให้ไม่มีส่วนพระศาสดา ทรงล้างพระพักแล้วประทับนั่งอยู่ในพระคันธ ก, กุฎีนั่นเองพระชาแผ่นดินยุป ร, ราชและอิสระชนมีเสนาบดีเป็นต้นนั่งแลดูการเสด็จออกจากพระคันธ ก, กุฎีแห่งพระาศาสดาด้วยคิดว่าจะรับบาทของพระาศาสดาไปธรรมดาพระพุทธชาติทั้งหลายย่อมทรงทำอนุเคราะห์ในคนยากจน ท่านจงไปวิหารกราบทูลพระาศาสดาว่าตนเป็นคนยากจนแล้วขอให้พระองค์ทําความสงเคราะห์เถิดถ้าท่านมีบุญท่านจะได้แน่ตอนพระาศาสดาประทานบาทแกนายมหาทุกตะนายมหาทุกตะนั้นได้เข้าไปสู่วิหารก็ลําดับนั้นพระพเจ้าแผ่นดินพระยุ ป, ป ร, ราชเป็นต้น ตรัสกับนายมหาทุกตะว่านายมหาทุกตะนี่ยังไม่ใช่เวลาพัดก่อนเจ้ามาทำไมที่ตรัส ด, ดังนั้นเพราะเคยเห็นเขาโดยความเป็นคนกินเดนในวิหารในวันอื่นๆ น, นายมหาทุกตะจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพเจ้าทราบอยู่นี่ยังไม่ใช่เวลาอาหารสำหรับข้าพเจ้า แต่ข้าพระเจ้ามาเพื่อถวายบังคมพระศาสดาดังนี้แล้วนายมาตุกตะจึงซบสศีรษะลงที่ธรณีของพระคันธกุฎีถวายบังคมด้วยเบญจางข้าประดิ์แล้วกราบตูนกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญผู้ที่ยากจนกว่าข้าพระองค์ในพร ะ, ะนครนี้ไม่มีแล้วขอทรงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพระองค์เถิด ขอทรงทำความสงเคราะห์แก่ข้าพระองค์เถิดพระศาสดาทรงเปิดประตูรักกันทะกุดีทรงนำบาทมาประทานในมือของเขาเขาได้เป็นเหมือนบรรลุจักรพรรดิสิริพระเจ้าเป็นดินและยุ ป, ป ร, ราชเป็นต้นต่างทรงแลดูพระพักของกันและกันแต่จริงใครๆชื่อว่าสามารถ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 ด้วยบาทของพระศาสดาเล่านายมหาทุกตะจึงตอบว่าข้าพระเจ้าจะไม่ให้ใครข้าพระเจ้าไม่มีความต้องการด้วยซับจะให้พระศาสดาเท่านั้นเสวยจนทั้งหลายที่เหลืออ่อนบอนเขาไม่ได้บาทแล้วก็จึงกลับไปฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินทรงมีความดมฤทิขึ้นว่านายมหาทุกตะนี้ แม้เขาถูกเล้าลมล่อ ด, ด้วยทรัพ์ก็ไม่ให้บาทของพระศาสดากับใครๆไม่อาจจะรับบาทที่พระศาสดาประทานแล้วด้วยพระองค์เองได้อันทายธรรมของนายมหาทุกตะนี้จะมีประมาณเท่าไหร่ในเวลามหาทุกตะนี้ถวายทายธรรมเสร็จแล้วเราจะนำพระศาสดาไปที่เรือนถวายอาหารที่เขาจัดไว้สาหรับเรา หลังนี้แล้วก็ได้เสด็จไปพร้อมกับพระาศาสดาทีเดียวตอนพระาศาสดาเสด็จไปเรือนของนายมหาทุกตะฝ่ายเท้าส ก, กัดเตีวราชจัดอาหารพัดมีข้าวต้มข้าวสวยและผักเป็นต้นผู้อาสนะที่สมควรเป็นที่ประทับแห่งพระาศาสดาแล้วประทับนั่งอยู่ นายมหาตุกตะนำพระาศาสดาไปแล้วกราบตุนว่าขอเชิญเสด็จเข้าไปเถิพระชก้าก็เรือนที่อยู่กองเขาต่ำผู้ที่ไม่ก้มไม่อาจเข้าไปได้ก็แต่ธรรมดาพระพุทธชาติทั้งหลายเมื่อเสด็จเข้าสู่เรือนไม่ต้องก้มก็เสด็จเข้าไปได้เพราะว่า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 เข้าสู่เรือนแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เท้าส ก, กะปู่ไว้แล้วเมื่อพระศาสดาประทับนั่งแล้วพระราชาจึงรับสั่งว่าเพื่อนมหาทุกตะเอ๋ยท่านไม่ให้บาทของพระศาสดาแก่พวกเราแม้อ่อนบอลอยู่พวกเราจะดูสักการะที่ท่านจัดถวายพระศาสดาเป็นเช่นไร ลำดับนั้นเท้าส ก, กะเปิดข้าวยากูและพัดออกอวดให้ชมกลิ่นเครื่องอบอาหารพัดเหล่านั้นได้ตลบทั่วพระนครตั้งอยู่แล้วพระราชาทรงตรวจดูข้าวยากูเป็นต้นแล้วกราบตูนกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันคิดว่ า, า, าทายรมของนายมาหาตุกตะนี้ จะมีสักเท่าไรเมื่อมหาทุกตะนี้ถาวายไัยธรรมแล้วจะนำเสด็จพระศ า, าสดาไปยังเรือนถาวายอาหารที่เขาจัดไว้สำหรับข้าพระองค์ดังนี้แล้วจึงมาที่นี่อาหารเห็นป่านนี้หม่อมฉันไม่เคยเห็นเลยเมื่อหมอมฉันอยู่ในที่นี้มหาทุกตะต้องลำบากเหลือเกินหมอมฉันจะกลับละ พระราชาจึงได้ถวายบังกรมพระศาสดาแล้วก็เสด็จหลีกไปตอนบ้านของนายมหาทุกตะเต็มด้วยแก้วเจ็ดประการไฟเท้าส ก, กะถวายข้าวอยากูเป็นต้นทรงอังค่าพระศาสดาโดยกรบแม้พระศาสดาทรงทำพัตกิจเสร็จแล้วทรงทำการอนุโมทนาเสด็จลุก จากอาสนะหลีกไปท้าวสกะได้ให้สัญญาแก่นายมหาทุกตะเขาจึงรับบาตรตามเสด็จพระศาสดาท้าวสกะเสด็จกลับแล้วประทับยืนอยู่ที่ประตูเรือนของนายมหาทุกตะทรงแลดูอากาศแล้วฝนแก้วเจ็ดประการตกลงจากอากาศ เตมภาชนะทั้งหมดในเรือนของเขายังล้นไปทั่วเรือนในเรือนของเขาไม่มีที่ว่างเลยภริยาของเขาได้จูงมือพวกเด็กนําออกไปยืนอยู่ภายนอกเรือนเขาตามเสด็จพระศาสดาแล้วกลับมาเห็นเด็กอยู่ภายนอกจึงถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นภริยาของเขาตอบว่านาย เรือนของเราเต็มไปด้วยแ้เจ็บอะการทั่วทั้งหลังคาไม่มีช่องจะเข้าไปได้นายตุกตะจึงคิดว่าก็ท า, านของเราให้ผลในวันนี้นั่นเองหังนี้แล้วจึงไปสู่พระราชาสำนักถวายบังคมพระราชาแล้วเมื่อพระราชาถามว่ามาทำไมเขาจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านสมุทิเทพเรือนของข้าพระองค์ เต็มไปด้วยแค่เจตปรการขอพระองค์ทรงถือเอาทรัพย์นั้นเถิดพระราชาจึงมีดาริว่าน่าสจั์จริงทานที่เขาถวายแด่พระบุตชาติทั้งหลายถึงที่สุดในวันนี้เองนังนี้แล้วจึงรับสั่งกับเข า, า ว, ว่าเธอควรจะได้อะไรนายมาตุกตะขอจงพระราชาทานเกวียนพันเล่มเพื่อต้องการนำทรัพมา พระราชาจึงส่งเกวียนพันเล่มไปให้นำรับมาแล้วเกลีย่ยไว้ที่พระลานหลวงกองชับได้เป็นกองสูงประมาณเท่าต้นตาลพระราชารับสั่งให้ชาวเมืองประชุมกันแล้วพรัสถามว่าก็ในกรุงนี้ใครมีรั์ถึงเท่านี้ไหมชาวเมืองไม่มีพระเจ้าค่ะพระราชาจะควรทำอย่างไร แก่คนมีทรัพประมาณเท่านี้ชาวเมืองควรตั้งตําแหน่งเศรษฐีให้ประชก้าพระราชาจึงทรงทําสักการะเป็น น, นมากแก่เขาแล้วรับสั่งให้พระราชทานตําแหน่งเศรษฐีก็ในลำดับนั้นท้าวเธอตรัสบอกที่ตั้งบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งในการก่อนแก่เขาแล้วจึงตรัสบอกว่า เธอจงให้ถางพุ่มไม้ที่เกิดในที่นี้แล้วปลูกรเรีอนอยู่เถิดก็เมื่อเก่าแผ่วถางในที่นั้นขุดพื้นที่ทําไม่เรียบอยู่ม่อทรับได้ผุดขึ้นยัดเยียดกันและกันเมื่อเ่ากราบทูลแก่พระราชาท้าวเธอจึงรับสั่งว่าม่อทรับเกิดพระบุญของเธอนั่นเองเธอนั่นแหละจงถือเอา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 เวัยทิพยาสมบัติสิ้นพุทธันดอนหนึ่งในพุทธุ ป, ปะบาทการนี้จุติจากนั้นแล้วถือปฏิชนทีในท้องทิดากคนโตในตระกูลอุปตากของพระสารีบุตรเถระในกรุงสาวัตถีและนั่นคือเรื่องราวของบัณฑิตสามเณรดมบวั ง, งในการก่อน กในชาติที่ท่านจะมาเป็นบัณฑิษสามเณรได้มีการสร้างบุญมาทั้งๆ ท, ที่เป็นทุกตาบุคคลกล่าวมาทุ๊กตาบุคคลก็คือคนที่แบบว่ายากจนได้รับความทุกข์เป็นคนเข็นใจแต่ก็ยังสร้างบุญกุศลด้วยการที่รู้จักให้ทานทำงานขยันขันแข็งและในที่สุดพอมาเกิดเป็นสามเณรนรายละเอียดของชาติสุดท้ายที่ท่านเกิดมาเป็นบัณฑิษสามเณรนี่ย เราจะมารงฟังตอนต่อไปกันในวันพรุ่งนี้เรือ่องของบันดิตสามเนศพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญร่อน